ไปช่องได้เนี่ยปฏิบัตินี่เอาฮัลโหลครับว อ, อืมอืรรมการหลอกพ่อแครับอืมอืมอือก็ในอนที่พอนาทุวกวงอะครับนางก็มีเวนทานาแรงเช่นว่เข่าหรือว่ามีอมกัดจับนน่าเ <c oughs> ทีนี้ว่าเออเรา <c oughs> ถ้าให้เอาแบบ ว, วา่าติไปจอดอยู่ที่เวนทานาตัว น, นั้นเนี่ย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 เวลามันเป็นไปนแล้วมันเป็นอื่นไปมันไม่มีเรามันสำคัญว่าเรามาเป็นวนมาโปรตี่หัวใจของเราเนี่เองทำให้เราทนไม่ได้อย่างขยับซะหนอ่อยเออฝนม า, าไปซะหน่อยแน่ใจัชื้นขึ้นไปมันตัน ห, นนหาทั้งขึ้นทั้งหลง่อันนี้เราเอาอิรีย์บทง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละแต่ว่าเราพยายามจับแล้วก็ทาให้ต่อเนื่องมันเป็นแนวปฏิบัติมันเป็นแนวปฏิบัติ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 ท่านกินให้ท่านกิในให้ใช้ใช้ผู้ ด, ดํารีนั่นแหละดำรีแต่ละครั้งมันเป็นการสร้างสติขึ้นมาพุทโธพุทโธนี่คื อ, ค, อคือสร้างสติขึ้นมาแล้วก็คุมสติความรับรูได้สมรชัญญะความรู้ตัวเอาความรู้ตัวเนี่แหละประคองการประคองที่ที่จะเรียกว่าวิจารณ์วิจารณวิตกวิจารณวิตกปั๊บประคองประค อ, องอาการเช่นอย่างพุท แล้วก็ประคองจากพุทธไปจนถึงโท่ประคองจากโทไปจนถึงพุทพุทโทพุทโธ่ลองลองประคองเราดูแป๊บเดียวทิ่งนึงเนียมันแทะมันแทะเข้ามาไม่ได้อ่าพุทโทพุทโธ่ลองทําลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลองทําทั้งแล้วมันจะมันจะมีผลเพิ่มมันจะมีผลเพิ่ม แต่ไม่ใช่เราหวังจะได้เอาวันนี้เอาให้เด็กค่ะเอาให้ได้ง่ายง่ายก็เกินเหมือนย็นเยือนนะนะบุญท่านมากบารมีท่านมากบุญท่านมากสมัยพุทธกาลก็ยังพระภัยยะเงี้ยท่านฟังทำยังไม่จบหนึ่งคาถาเนพุทินพระริชาท่านสอนง่ายๆท่านสอนว่าอพายยะเธอจงเห็นจักจะว่าเห็น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 รรมรัสการบอก็ว่าขออนุญาตครับอกรณีเวทนาเนี่ยในตัวของไพ่อย เ, เวทนาแล้วตั้งแต่เวลานั้นจนถึงเวลานี้จนเ อ, อถึงจิตสงบขนาดนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่เหตุปัจจัยของเราแ่ะบางที่เจนาะขณะนั้นตอนนั้นย้ายความรู้สึกว่าเป็นเรามาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องมาปูกพัน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 สติสัมปชัญญะตราบใดที่จิตเราตื่นรู้อย่านีจิตของเราส่งสติส่งสัมปชัญญะเต็มที่สติสัมปชัญญะมันจะมาด้วยกันสติกับสัมปชัญญะมันปลุกจิตของเาให้ตื่นรู้รูอยู่ตลอดพยายามปลุกตัวนี้ให้ตื่นขึ้นพุทโธพุทโธแต่ละคำแต่ละคําแต่ละคํามันเป็นการปลุกจิตของเราให้ตื่นให้มีสติให้มีสัมปชัญญะเพราะมันอยู่แล้วมันก็สงบไม่นึกไม่คิดไม่ปลุกไปอย่างนี้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 เพรนั้นท่านจึงให้เจริญสติเจริญสติไม่จำเป็นจะต้องหลับตายืนให้รู้เดินให้รู้นั่งให้รู้อยู่กับอิริยาบถรู้อยู่กับอิริยาบถที่กำลังเจริญในขณะปัจจุบันเดินไปเป็นหลักเป็นหลักมหาสติปัฏฐานรู้อ๋อ เพว่าไปถอดจิตไม่ดิดในตำนานในนิยายเราเห็นกันง่ายอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของของผู้ที่มีภูมิภูมิภูมิจิตภูมิจิตคือภูมิความสมบงบของจิตนั่นเองเช่นอย่างมโนมยิทธิมโนมยุทธิเนี่ย อ, อาศัยว่าโกนัมีพื้นเพลไปจากสมาธิแล้วก็เล่นเล่นเล่น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 แต่ถ้าพวกเราพวกพวกแบบแบบโอ้โหเอาเป็นจนไฟน้ำไหลายไฟดับน้ำไหลไฟดับน้ําลายไหลน้ําไหลไฟดับของการการที่จะทำให้สติมีความแนบแน่นเนี่ยครับต้องต้องทําแบบไหนจิดแนมแน่นคือจิตสงบนั่นแหละ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 ไม่ไม่เลือกผู้ชายไม่เลือกผู้หญิงของตากันว่ า, าแล้วจิตไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงหากแต่ว่าเราเกิดเราเกิดมาเป็นผู้ชายเราก็ยื้ยื้ยื้ะเราชายเป็นผู้หญิง ย, ยืเราเป็นผู้หญิงผู้รู้ไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงเราหลวงวิสาขะเสียฐีอ่ะฮะอยู่ครองเรือนะแทบไปฟังเทศกับพระเจ้าได้เป็นอาณาขามีมาเล่าให้เมียฟังนางอะไรธรรมทินนา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 การแก้การยึดมั่นหรือมั่นในตัวเองนีแก้ได้ยังไงบ้างก็จ่อเข้าไปดิสติสัพพัญญาฝึกหัดเข้าไปเวลามันเกิดขึ้นเต็มที่เราก็รู้ลองจ่อเวลามันหายหายก็รู้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาจิตจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะมีราคะแล้วมันยึดไหมถ้ามันยึดก็คือราคาเพิ่มราคาเพิ่มราคาเพิ่มราคะ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 ใครจะไปแช่อยู่ทาไมกับไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นทุยิ้มกับถอยถอยถอยถอยถอยถอยถอยเหลือแต่จิตหนึ่งเดียวปล่อยได้หมดลากได้หมดวางได้หมดท่านก็ดำรงตนอยู y u y u y u ่อย an ่างนั uh, mature, very, very ้นตลอดอนันตการท่านหมดภพหมดชาติไม่ต้องไปเกิดผู้รู้ของท่านยังมีอยู่ รู้ที่บริสุทธิ์ของท่านยังมีอยู่ห ล, งลังกายไม่เน่าไม่เปื่อยเราก็ได้ยินได้ฟักบางทีท่านอธิษฐานไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยบางทีก็ได้ยินว่าท่านอธิษฐานไ ม, ไม่ให้เป็นประทาตเงนี้เช่นอย่างพระอานนท์ท่านอธิษฐานให้ข้าท่านแยกออกให้กับญาติสองข้างเพราะวิาจิตของท่านเหลื อ, เ ห, อ, เ, หอเหลือเหลือกิเลบตัณหาสว่าไม่เหมือนจิตพวกเราจิตของท่านมีพลัง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 เมื่อมีพบจำกัดมันก็มีเวลาจำกัดมันก็หมดไปได้ในที่สุดพอหมดมันตกตกกระปอง ม, มาแล้วพอแนะนการนั่งภาวนาเวลาเราปฏิบัติเดินจงกรมตทกักภาวนางไงครอัข่ขวาซ้ายขวาซ้ายพุทโอพุทโธพุทโพุทธโุโ อ, อ, อ, อให้อยู่กระตัวแต่การเดินนั้นอยู่ในท่าทีที่เราภาวนานกาหนดทิศจารณาจะสะดวก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 เพาคิดผิดผิดเข้าใจผิดไปกัดไปเกณฑ์แทนที่จะมาดูต้นตอสมุทยัยที่ท่าเรียกว่าแทนที่จะดับแทนที่จะดับสมุทัยไปดับทุกแทนที่จริงท่านให้กําหนดทุกแล้วก็ดับที่สมุทยัยเพราะทุกตัวนี้มันเป็นผลเหตมเหมก็กคือตัวสมุทยัยมันเข้ากับที่หลวงตาท่านสอนพิจารณาหลักอายักษ์ท่านสอนให้กําหนดทุกย้อนมาดูสมุทัยที่จิต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 งวเข้าถวายอืมอืออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืวอืออจออืออืออืออืออวออืออืออืออืออืออืออืออืออืออืไอืมอืออืออืออือือออออ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 อ่าเอาเอลแล้วก็ลากับนี